ทุวสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการนี้สรนสนิษนสนทนาดําเนินรายการโดยสรนสนิษนนาคพงศ์นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มาพบกับท่านเพื่อที่จะกราบน้มสักการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไพบูพุญอภิปุนโนนะค ะ, ะที่ปกติท่านก็ได้ให้ธรรมะเราในรายการนี้ในทุกๆวันลําพังอยู่แล้ววันนี้ก็เป็นการร่วมกันสนทนาสัปดาห์หนจะมี2วันไปกราบน้มสักการท่าน ก, นกันก่อนเลยคะ่ะ มัศ ก, กายท่านคะเย็บาดค่ะดิฉันก็ยังรู้สึกว่าการอิ่มเรนเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่เลยกลับกลับเรียนท่านนลยครประสบการณ์ตัวเองพอกลับมาคือขนาดนี่ยังไม่ได้ไปอ่านข่าวเรื่องโลกเลยนะคะถึงขนาดที่สนทนากับท่านอยู่เนี่ยบันทึกเทปเนี่ยดิฉันก็ยังไม่ได้อ่านแบบเป็นเรื่องเป็นราวข้อมูลข่าวสารต่างๆกับพรั่งพรูเข้ามาแล้วก็กิจกรรมส่วนตัวที่มันค้างอยู่อ่าก็ต้องไป ดำเนินถึงแม้ว่าในช่วงเวลานี้จะยุ่งน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะนะคะอยากอยากจะให้เหมือนกับมีที่ที่หลีกเล้นใกล้ๆนี่จังเลยจะได้สมมุติว่าวุ่นกลางวันปุ๊บแวบกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ก็โยมตีว่าพอเราไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยเรากลับมาแล้วเนี่ยจิตใจของเรามันอยู่ในสภาพที่ที่ดีละของที่เนี่ยการที่จิตของเรามันจะพุ่งเข้าไปหาสิ่งที่มันจะวุ่นวายเนี่ยมันจะมีความ เอิ ge, หรือว่าความที่มันอยากจะเข้าพุ่งไปตรงนั้นเนี่ยมันน้อยกว่าแดังนั้นทําให้เราบางทีไม่อยากอ่านหรอกแต่ห น, นังสือพิมพ์ไม่อยากจะเปิดหรอกทีวีอยู่สงบสงบตรงนี้เพราะว่าใจมันมันไม่ได้จะพุ่งเข้าไปหาตรงนั้นแต่ถ้าเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เลยนะเห็นหนังสือพิมพ์นี้ต้องเปิดเห็นทีวีนี้ต้องเปิดอย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถที่จะล่าตรงนั้นได้ทีนี้ว่าเราต้องคอยระวังอยู่เรื่อยๆนะตรงนี้สําคัญพูดถึงเรื่องของจิตเนะี่ยมันคิดว่า เป็นเรื่องที่อยู่กับเราถ้าเราไม่มันทำการศึกษามันแทบจะไม่รู้จักกันเลยนะคะ ต, ต้องบอกอย่างเงี้ค่ะเหมือนกับว่าเราจะไม่รู้จักเลยดิยฉันมีอาการไม่สบายบางอย่าง mm hmm. ตอนที่ไปอยู่ที่นั่นนะคะเสร็จแล้วก็ไปพูดให้คนที่เป็นคนที่มีความรู้ทางการแพทย์แผนไทยฟังว่ามีอาการแบบเนี้ยสงสัยกลับไปจะต้องไปเช็คอับใหญ่อะไรเขาเป็นผู้ปฏิบัติขาคง ป, ปฏิบัติมานานเลคะ่ะ เขาก็คุยกับเรานิดหน่อยแล้วเขาก็บอกว่าไปแก้ที่จิตใจตัวเองก่อนนะอืม่ยมันอาจจะป่วยในระดับจิตใต้สํานึกที่คิดว่าเราป่วยก็ได้อืมอ่าดีิฉันก็ลองพยายามทําตามที่เขาพูดนะตอนนี้กําลังมีความรู้สึกเอ๊ะสงสัยจะใช่อฮะอืมพอเราวางจิตแบบหนึง่งเรารู้สึกว่าอาการที่เราคิดว่ามันป่วยเนะี่ยมันเบาลงใช่หรือเหมือนกันจะไม่ได้เป็นอะไ ร, ไรใช่ใช่ทางการแพทย์เขาก็มี พวกโรคเครียดอะไรอย่างนี้ก็มีนะหรือว่าโรคที่เกิดขึ้นจากการที่เจ้าตัวคิดไปเองก็ก็มีอยู่หลายจุดโรคเครียดทันธรรมะเนี่ยมันโรคเดียวกันไหมคะแล้วถ้าเป็นทางธรรมะนี่เรียกว่าอะไรคือนิวรนนั่นเองคือนิวรนคือเครื่องการกั้นทำปัญญาให้ถอยกําลังมันจะทําให้จิตขุ่นมัวมีความเครียดพอจิตมันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่สบายเนี่ยทำให้ระบบสมองเนี่มันหลั่งฮอร์โมนอะไรต่างๆออกมาที่มันไม่เป็นที่สบาย เพราะว่ามันเกิดจากจิตสมองนี่ก็ทํางานตามอํานาจของจิตนจิตเป็นยังไงจิตมันไม่ได้เป็นตัวสมองเป็นไม่ได้เป็นฮาร์ดแวร์ไม่ได้เป็นอะไรที่จับต้องได้แต่เป็นสภาวะเป็นความรู้สึกเป็นสิ่งที่การมีการรับรู้ได้ซึ่งมันก็จะไปเหนี่ยวนําบังคับให้สมองหลั่งฮอร์โมนต่างๆที่ทําให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะจิตซึ่งซึ่งตรงนี้คือเป็นหลักการที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เปิดเผยอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ทําอย่างนี้แต่ก็คือว่าในช่วงสองสาแรกเนี่ย จะต้องทำจิตให้มันห่างจากนิวรณ์ซะก่อนนิวราหมายถึงเครื аюсь, ่องกั้นที่จะทำให้จิตมันไม่ไม่ลงเป็นสมาธิอ่ะนะต้องกำจัดตรงนี้ให้ได้ซะก่อนคือถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องโลกนะคะในความเข้าใจบางครั้งเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยจะมีความรู้สึกเอ้ฉันไม่เห็นเครียดอะไรเลยเออก็สบายสบายแต่ทำไมอาการต่างๆเวลาไปตรวจกับแพทย์ แท้จะสรุปว่าไม่ได้เป็นอะไรที่กังวลเลยคงจะเป็นเรื่องของความเครียดอือย่างเนี้ค่ะอธิบายยังไงกันทคะทำไมไม่รู้สึกว่าเอเราไม่เห็นรู้สึกเครียดเลยคือมันมันเป็นภาระไงความที่เป็นภาระคือ ถ, ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบนะสมมติว่าตอนนี้เราไม่ได้รู้สึกเครียดไหนเปรียบเทียบกับตอนที่เราจิตใ จ, จเราเป็นสมาธิตอนนี้เราไม่ได้รู้สึกเครียดกับเปรียบเทียบกับตอนที่จิตใจเราเป็นสมาธิแล้วเราจะว่ามีความแตกต่างกัน คือที่เราบอกว่าไม่เครียดเนี่ยทำไมเราถึงไม่รู้ตัวเพราะว่ามันถูกบังอยู่ด้วยอวิชชาอาวิชชามันปิดบังเอาไว้ทำให้เราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรอวิชชาก็บังใจใช่ไหมทำให้เราใจของเราไม่เห็นไม่รู้เท่ากับว่าจิตเนี่ยหลอกเราอยู่ใช่มันมันปิดบังอยูนะ่ถูกหลอกอยู่ด้วยอำนาจของตัณหา ก, กับอวิชชาอันนี้สาหรับตัวเองที่ต้องบอกว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าสมาธิที่เรามีเนี่ย อมากน้อยวัดเป็นปริมาณอย่างใดแต่ก็ยังคิดว่ายังต้องฝึกฝนต่อไปอีกอืมมากเพียงแต่ว่าเท่าที่สัมผัสได้เป็นประสบการณ์ตรงกับตัวเองในขณะที่เข้าใจว่ามีสมาธิก็เป็นอะไรที่สบาย ด, ดิฉันใช้คํานี้ก่อนนะครับมันสบายอออืเถ้าคนที่ไม่เคยเข้าใจก็ไม่รู้จะอธิบายยังไง ม, มันมันเป็นความรู้สึกเฉพาะของคนนั้น แล้วเมื่อดิฉันมองไปรอบตัวเดียฉันเชื่อว่าคนที่นั่งสบายๆหรือแม้แต่ถ้าจารย์เนี่ยเห็นนั่งสงบนิ่งนานนานอย่างไม่น่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงจะได้สัมผัสกับความสบายในระดับของแต่ละท่านถ้าถ้าท่านผู้ฝังที่ฟังรายการสรเสนีสนทนามังตั้งแต่แรกเลยนะค่ะอาตมาจําได้เลยปีแรกเลยอาตมาก็พูดเรื่องเนี้ยพูดเรื่องนี้ว่าโอชมาทีมันดีมากนะให้ทุกคนมาปฏิบัติทุกวันนี้ก็ยังยืนยันแบบนั้นอยู่ ก็ก oh okay. yeah. ็พูดเรื่องเนียมาตลอดเป็นหลายปีแล้วนะเนี่ยค่ะก็ก็พูดเรื่องเดิมนี่แหละค่ะแต่แต่ดิฉันก็เชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยถึงแม้ฝึกปฏิบัติก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลเท่ากันเือกันเพราะว่าเวลาไปนั่งคุยบางทีเขาตอิจฉาจังเลยนะเมื่อเปิดวาจาแล้วไปคุยกันคนนี้เขาก็บอกว่าค่อนข้างมีความเชื่อว่าเขามีพัฒนานะเพราะมันไปถึง จุดจนึงเนี่ยอธิบายมหัศจรรย์พันลึกมากเลยค่ะท่านคะอ่า <laughs> เอ่อทีนี้ตรงจุดที่พูดถึงเมื่อสักครู่คนอยอมติพูดถึงว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราเครียดเนี่ยนะก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเครียดอะไรเนี่ยตรงนี้เคยมีอุปมาอุปไมัยที่เรีว่าพระสูต น, นี้ก็ได้ให้ฟังอยู่เหมือนกันในตอนที่ไปริเรนแตพูดถึงคนที่เกิดมาตาบอดนะไม่เห็นสีขาไม่เห็นสีแดงไม่รู้ที่สูงที่ต่ำไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็ไปบอกว่าอันนั้นไม่มี บอกว่าพระจันทร์พระอาทิตย์ไม่มี น, นพระตัวเองตามบอดมองไม่เห็นการพูดของเขาตรงนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องนถกทั้งๆ ท, ที่ว่าพระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยมีอยู่แต่เขาบอกว่าไม่มีเพราะเขาไม่เห็นมันไม่ใช่ใชแต่ที่ถูกก็ควรจะบอกว่าไม่รู้ น, นถึงจะถูกแต่พอมีหมอมารักษาให้ตาเปิดดูได้แล้วโอ้พระจานทร์พระอาทิตย์มีอันนี้คือความจ่มแจ้งที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามาฝึกปฏิบัตินั่นเองอืมซึ่งซึ่งความจ่มแจ้งนี้เป็นผลของอะไรเป็นผลของการที่เรา เคลียร์นิวรณออกไปได้เคลียร์เครื่องการกั้นตรงนี้ออกไปได้เอาเราจะเคลียร์นิวรณเคลียร์เครื่องการกั้นได้อย่างไรมันต้องมีองค์ประกอบอยู่4ี่อย่างแ <Okay. S 1> นะันนี้ก็ไม่ใช่ความลับอีกเหมือนกันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่เป็นประจำขนะ้อหนึ่คุณต้องรักษาศีลให้ดนะีซึ่งในการปฏิบัติเนี่ยก็จะให้สมาทานศีลแปดละนอนก็นอนบนเสือ่อใช่ไหมหรือว่าบนเตียงที่ต่ําหรือบนเครื่องปูลาที่ทําด้วยหญ้าตื่นเช้ามาล้างหน้าก็เสร็จเรียบร้อยเลยไม่ต้องไปแต่งอะไรอีก ไม่ผัดทาเครื่องรูป่ไล่รูปทาที่เป็นฐานะแหการแต่งตัวใช่ไหมกินก็กินมือเดียวก็จบไปเลยเราก็ฆ่าสัตว์ลักทรพย์พวกนี้ไม่มีอยู่แล้วกาย เ, าเรื่องของวาจาไม่มีทางผิดแน่นอนเพราะไม่ได้พูดกันนะเรื่องของความเป็นอยู่อาชีวะก็กินตามที่จัดใหนะ้กายวาจาอาชีวะนี่ก็บริสุทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของศีลเราได้ละนี่คือข้อที่1นี่คือลําดับขั้นนะที่ว่า จะทําให้เราสามารถที่จะเปิดตาของเราขึ้นได้ตาในที่นี้หมายถึงตาคือธรรมะนะให้เราเห็นว่าอะไรคืออะไรแต่ส่วนในข้อที่2ก็คือการอยู่ในกฎของการหลีกเล่นแต่คือการที่แบบไม่สูงสิงไม่คลุกกรีกันแต่ไม่พูดพลาดแต่ให้เป็นผู้ที่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดยินดีในการไม่คลุกกลียินดีในความสงัดเงียบยินดีในการอยู่ลีกเล่นแต่ซึ่งบางทีมันยินดีได้ยากอย่างที่คุณโยมที่ว่า แต่ว่าคนที่ไม่เคยหยุดพูดเลยเป็นสิบยี่สิบปีอย่าพูดถึงว่าตอนนอนเลยตอนนอนก็ยังฝันอย่างเงี้ยอย่างพูดกับตัวเองเนี่ยจะให้เขามาหยุดสักสามวันหวันหรือ7วันเนี่ยโอ้โหมันยากมากซึ่งตรงนี้เราจึงต้องบังคับว่าอย่างงั้นติดติเก็บโทรศัพท์ดังนั้นต้องอยู่แยกกันอย่าไปนอนรวมกันอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อที่สองแต่ส่วนในข้อที่สามก็คือให้เป็นผู้ที่รู้จักประมาณในการบริโภคนะรู้จักการประมาณในการบริโภคเนี่ย ก็ต้องบอกสอนกันแหะพระพุทธเจ้าก็อธิบายถึงว่าเหมือนกับกินเนื้อลูกของตัวเองใช่ไหมซึ่งก็ให้รู้จักการประมาณในการบริโภคมีให้กินมือเดียวเนี่ยมืออื่นๆก็เป็นมื้อที่นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อให้มีความคุ้นชินอันนี้คือข้อที่สามส่วนในข้อที่4ก็คือให้มีการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นในทุกวันตอนค่าเราก็จะมีธรรมะให้ฟังแล้วในช่วงระหว่างวันก็จะมีการอธิบาย มีการพูดพุทธพจน์ตรงนั้นตรงนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัตินัือข้อที่4ให้มีการฟังธรรมส่วนในข้อที่5ในะเรื่องของเสนาสนะสัพเพ ะ, ะนะก็คือว่าอยู่ริเรนคืออย่างหนึ่งในที่วัดป่าดไหนโศกเนี่ยก็คือว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านจัดทาไว้ดีแล้วนะ ร, รอการมาปฏิบัติของเราเท่านั้นเองเพราะนั้นเสนาสนะก็มีการแยกเป็นสัดส่วนแตนะ่ทุกคนไม่ได้อยู่ห้องละสองสคนหรือนอนกันเป็นตับๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นนอนห้องละคน หรือว่านอนกุฏิคนลันหลังอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเป็นการสัปายาในเรื่องตรงนี้นี่คือห้าห้าส่วนหลักๆที่จะทําให้เราสามารถที่จะตั้งจิตขึ้นจำกาจัดเจ้านิวรณออกไปได้ค่ะก็ขออนุญาตเพิ่มเรื่องที่พักนิดหนึ่งนะคะว่าไม่ได้มีกุฏิอย่างที่ที่เล่าให้ฟังแต่เพียงอย่างเดียวนะคะคืออยู่กันแบบบางคนอาจจะบอกอุ้ยอยู่ไม่ได้หรอกมัน อยู่มีคนข้างห้องก็ยังดีอะไรย่างเงี้ยนยครับรู้สึกอุ่นใจก็มีประเภทนั้นเหมือนกันเป็นห้องเขาเรียกว่าคอนโดอันนี้ก็จะเป็นบังกะโลกับเป็นห้องแถวอ่านี่ยแหละนี่ยแหละค่ะก็มีข้างสปายะนะคะดิฉันเนี่ยมีผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งไปเขียนจดหมายมาเรื่อมาวางแป๊ะที่ข้างหน้าเขาเป็นเด็กกว่าเราวันหนึ่งที่ยังต้องปิดวาจากันอยู่เขียนไม่ยาวใช่้นข้อความนั้นบอกว่าขออภัย หนูไปตำหนีพี่วันหนึ่งเมื่อเวลาหนึ่งเนี่ยว่าพี่กราบไม่ไม่ถูกต้อง <laughs> หนูใหญ่จะขออภัยเพราะหนูกลัวไม่บรรลุมรรคผลนิพพานอะไรเงี้ยนะคะอ๋อพี่กออ็สมโนสน้อยกันนะ <laughs> ใช่ค่ะที่นี้ก็เลยอยากกล่าวเรียนถามท่านว่าถ้าเราไปปฏิบัติอย่างเนี้ยเราไปเพ่งเล็งคนอื่นคนนี้ทํากินข้าวนาเกลียดสมมตินะคะอื <laughs> มันเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติของเราอย่างที่น้องคนนั้นว่าจริงหรือค่า ก็จะมีป้ายอันหนึ่งที่วัดในที่พูดถึงว่าการติเตียนเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันเนี่ยมันจะไม่ดีเนจะมีข้อมีโทษทั้งหมดสีบเออย่าง <Okay. S 1> หนึ่งในนั้นก็คือจะไม่บรรลุธรรมที่ทยังไม่บรร <Okay. S 1> ลุก็คือถ้าเราไปติคนนี้เขาปฏิบัติ ด, ดีอย่างเงี้ยเราก็ไปติเขาทําไมเธอยิ้มอย่างงี้ทำไมเธอกราบอย่างงั้นอันนี้คือติเตียนเขานะ <Okay. S 1> แล้วก็ถ้าพูดด้วยวาจาด้วยนี่คือติเตียนทางใจในตอนนี้ถ้าด่าบริภาษคือเปล่งวาจาออกมาเนี่ก็ยิ่งยิ่งหนักขึ้น แตมีการกระทำทางกายด้วยก็ยิ่งหนักขึ้นละ่ะแต่หนึ่งจะไม่บรรลุทำที่ยังไม่บรรลุเดี๋สองเสื่อมจากทำที่บรรลุแล้วหรือว่าเป็นผู้เข้าใจว่าได้บรรลุในสัตธรรมเดีสัตยธรรมของคนนั้นเขาก็จะไม่ผ่องแผ้วไอ้ที่มีอยู่มันก็จะไม่ใสมีอยู่เนี่ยก็จะเสื่อมเดีที่ยังไม่บรรลุก็จะไม่ได้แล้วก็จะเข้าใจว่าตัวเองได้อย่างเงี้ยก็จะมีโทษเพระาะฉะนั้นเขาคิดอย่างไงก็ก็คิดถูกละ่ะในการที่จะมาขอเข้ามาให้มันดีก็ล่ะ เขาเรื่องเด็กอยู่เลยทั้งเมื่อมีโอกาสได้คุยกันตอนสุดท้ายก็เลยต้องปเป็นลูกโมทนาเขาก็ดูเหมือนกับว่าเขามุ่งมั่นมากอเอเบางคนเนี่ยน่ารักนะคะพาคุณแม่มาแต่ถ้าอาจารย์ก็จับแยกกันหมดถูกไหมคะเพียงแต่ไหนเนี่ยลูกอาจจะต้องประคองเข้าน้องนาำได้เห็นภาพนั้นก็มีความรู้สึกว่ากิจฉาจังเลยอยากพาคุณแม่มาแบบนี้บ้างช่างเป็นลูกน่ารักซะนี่กะไรอืมซึ่งซึ่งตอนนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ว่า ถ้าเราประดิษฐสถานมานาบิดานะให้อยู่ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเรื่องของศรัทธาศีลจาระพัญญาเนี่ยการประดิษฐ์สถานท่านให้อยู่ในการมีศรัทธาให้อยู่ในการมีสมาธิปัญญาพวกเนี้ยอันนี้เป็นการกระทําที่พอจะตอบแทนบุญคุณที่ท่านได้ทําให้เราค่ ะ, ะคำถามที่ใหญ่จะถามท่านพิยมสงสัยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาพวกเราปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่อยู่กับตัวเองกับฟังในสิ่งที่ท่านสอนใช่ไหมคะแล้ว ส่วนใหญ่พอถึงตอนจบถามว่าใครมีคำถามไม่ก็ไม่เห็นมีใครมีคำถามเลยก็แยกย้ายกันไปนอนอจะสงสัยว่าที่ให้เขียนว่าใครมีความสงสัยไปถามเนี่ยมีใครเข้าไปถามอะไรบ้างไหมคะแล้วมีปัญหากันเยอะไหมเพราะอย่างตัวเองเนี่ยสงสัยก็ถามใช่มหมการแล้วดิฉันคิดว่ า, าบางครั้งเราเราก็อธิบายไม่ได้เราไม่รู้จะไปต่ อ, อยังไงเราไม่รู้ไอ้นี่มันเป็นปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อ อันนั้นก็เป็นคำถามในเรื่องของการปฏิบัตินะก็มีผู้มาถามอยู่เช่นถามถึงเรื่องของบางทีจิตไม่ตั้งมัน่นถามถึงเรื่องบางทีทำไมได้แล้วมันเสื่อมลงถามถึงบางทีมีอาการต่างๆเช่นรู้สึกเองตัวไปข้างหน้าเหมือนตกเหวเหมือนลอยขึ้นก็จะมีคำถามพวกนี้อยู่นะซึ่งตรงนี้อาตมาก็จะได้อธิบายไปก่อนล่วงหน้าแล้วว่ามันเป็นลักษณะการปรุงแต่งของจิต แต่ซึ่งหลายหคนก็จะมีอาการแบบนี้เหมือนกันคือเราพอจะคาดเดาได้ล่ะว่าปฏิบัติไปวันสองวันแล้วจะมีอาการแบบนี้นนเราก็อธิบายให้ทราบก่อนละ่ะก็ได้ไม่ต้องมาถามอย่างเรื่องง่วงอย่างเงี้ยก็อธิบายให้ทราบก่อนเลยว่ามันจะมีอาการง่วงแน่ละ่ะแต่วิธีแก้ทําอย่างนี้ดังนั้นคนที่มีคําถามเรื่องความง่วงเขาก็จะไม่มาถามละ่ะพอรู้คํำตอบละอ๋อค่ะคือเหมือนกับว่าส่วนใหญ่แล้วจะจะเรียก อ, อะไรคะจะดักทาง โอ้ยให้แต่ถ้าถามก็มีคําตอบให้เังนนเองไปถามก็มีคําตอบค่ะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวจะคิดว่าท่านพบูลจะไม่ยอมตอบคําถามใครก็ได้ตอบเป็นอยู่ยาวทีเดียวนะคะอย่างคือตรงนี้พระบุรีชาต์ตอบไปให้แล้วไงโดยโดยโอธิบายไว้ในคําสอนของท่านตรงนั้นตรงนี้พอเราอ่านศึกษาค้นคว้าแล้วก็พบว่าเอาข้อมูลตรงนี้พระบุรีชาอาธิบายไว้ก็เอามาเอาข้อมูลนี้มาให้อย่างเนี้ยดีนี้หลังจากที่เราจัดการเจ้านิวรอันนี้คือลำดับขั้นการปฏิบัติ จากการเจ้านิวร์จากการเจ้าความที่ทําให้จิตเราไม่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยพอได้สมาธิมีความที่จิตพอจะเป็นอารมณ์เดียวบ้างเน่ซึ่งความที่จิตพอจะเป็นอารมณ์เดียวบ้างเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิขั้นลึกซึ้งระเบิดตุ้มตามหรือว่าจิตแบบกายไม่มีอาจจะไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแต่ความที่จิตเหมือนกับมันตั้งมั่นได้เน่ยมันไม่ได้ไหลไปทางนั้นทางนี้อาจจะมีไหลรั่วบ้างก้อนนิดๆหน่อยๆแต่มันจะตั้งมั่นได้แต่ถ้าถ้าเราจะเปรียบเทียบก็จะเหมือนกับ เลนนูนเวลาที่เขาใช้รวมแสงพระอาทิตย์เข้ามาใช่ไหมถ้าจุดรวมแสงเนี่ยมันเริ่มจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเนี่ยพลังงานที่อยู่ตรงนั้นมันจะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนบางทีมันเผากระดาษได้จุดัวไม่กีดได้แล้วอย่างกรณีที่ท่านได้บอกว่าบางคนเขาไปถามว่าทําไมขึ้นขึ้ น, นลงลงนะคะเดี๋ยวปฏิบัติได้เดี๋ยวปฏิบัติไม่ได้สมาธิอย่างเงี้ยค่ะออืเดนก็คิดว่าคงจะมีคนเป็นอย่างนี้พอสมควรเหมือนกันออยากทราบว่าอย่างเนี้ย หมายถึงอะไรคะเออ ม, มันหลายเหตุการบางทีบางคนก็ติพระสงฆ์มาค่ะเแต่ทำให้สาธารณะของตัวเองเสื่อมแต่พอสาธารณะตัวเองเศร้าหมองศรัท ธ, ธามันไม่มั่นคงอะ่พะพอศรัท ธ, ธาไม่มั่นคงเหมือนกับดินที่มันเลนเป็นเละๆอะ่ะคุณปักเสาลงไปเนะี่ยแล้วคุณจะเอาเสานี้ไปผูกสัตวนะ์อ่ะมันมันก็ไม่มั่นคงคตั้งขึ้นมาเสาก็โล้มแผลตั้งขึ้นอีกสัตว์ดึงเสาก็ล้มแผลเนี่ยนะเพราะว่าฐานมันไม่มั่นคง อันนี้นนต้องการขออธิบายเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าติณเองจะสังเกตว่าจะมีการให้ความสาคัญในเรื่องการติดเตียนพระสงค์เนี่ยมากเพราะเห็นติดป้ายเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีการสนทนากันก็ได้พบว่าอันนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติ แต่ถ้าคิดโดยตัวเองงงงงไม่น่าจะเป็นเหตุเป็นผลอะไรท่านพอจะอธิบายให้เข้าใจเป็นเหตุเป็นผลว่าเพราะอะไรหรือมันเป็นเรื่อง super statures ที่มันแบ บ, แ บ, บๆๆเขารอะไรครับเหนือที่เราจะอธิบายได้ตอนนี้<อ>ก็คืออันนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ายนะถึงว่าสารณะคือที่พึ่งที่ไปถึงสารณะนี่คือที่พึ่งที่ไปถึงของจิตแต่ที่จิตเนี่ยจะต้องแล่นไปสู่ทางนี้ซึ่งทางนี้ที่จะจิตจะแล่นไปสู่ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นีพุโทโธธัรมโมสังโคนีพุทธะก็คือพระพุทธเจ้าหรือว่าการตรัสรู้ถูกไหมค่ะธรรมโมก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอไว้หรือว่าธรรมะที่เราจําไว้ในหัวหรือว่าธรรมะที่อยู่ในใจของเราเนีสังโคก็คือหมู่แห่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนีย่ยเพราะฉะนั้นหมู่แห่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็จะมีหลายระดับแต่ถ้าเราจะดูระดับนอ ก, นอกๆก็อาจจะพูดถึงพระที่นุ่งเหลืองโคนหัวอันนี้คือระดับต่างๆ ระดับที่ดีขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะพูดถึงอริยะพระอริยสงฆ์แต่ระดับที่ลึกขึ้นมาก็คือการปฏิบัติของตัวเราเองแต <Okay. S 1> นะ่ซึ่งถ้าบอกว่าเรามีการทําไม่ดีในระดับไหนนะความที่มันไม่ละเอียดไม่ประณีตที่จะพาให้เราไปรู้อริย ส, สัจสีมันจะไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไวา้นี่เป็นพุทธบุตรเลยนะค <Okay. S 1> บอกว่าคนที่อาศัยพุทธธรรมสังฆะแล้วเนี่ยรู้อริยสัจสีด้วยปัญญาของตัวเองอันนี้คือสําคัญไม่ใช่ว่าพระพุทธบระธระสงค์ทําให้ แต่คุณอาศัยพระพุทธรประสงค์แล้วจึงรู้อริยสัจสี่ะถ้าตรงส่วนสามส่วนนี้มันไม่มีเหมันก็จะไปรู้อริยสัจสีไม่ได้ค่ะอืทีนี้บางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเขาก็วิพากษ์วิจารณกันอยู่เนี่ยว่าไม่ใช่คือประสงค์ที่ถูกต้องอะไรเงี้ยเราก็ว่าว่าตามตามเข้าไปเงี้ยตายเราอย่างนี้ถือว่าทําไงได้อะว่าไปแล้วสมมุติแล้วก็แก้ไขจิตใจของตัวเอง ด <c oughs> ังนั้นในช่วงตอนต้นของการปฏิบัติเนี่ยก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติเราก็จะมีการให้สมาทานไตรสนนตสมาคมก็คือสมาทานผู้ต่อธรรมโสมนสนี่แหละก่อนหน้านั้นเราก็ให้มีการขอเข้ามาเพื่อให้รัตน์ของเราบริสุทธิ์เหมือนเดิม <c oughs> ค่ะ อ, <c oughs> อ๋อก็เหมือนกับว่าไม่ต้องใจเสียมากนะักอย่าไปทํำต่อเพียงแต่เมื่อหยุดไม่ทําต่อแล้วของเดิมที่ทํามาแล้วก็ยังพอมีทางใช่ก็คือในเมื่อเราเห็นโทษโ ด, ดยความเป็นโทษแล้วใช่ไหม อันนี้ ค, คือเราเห็นโทษแล้วเราขั้นตอนที่สองก็คือให้ทําคืนตามตามก็คือทําสิ่งที่ดีอย่าไปทําไม่ดีเหมือนเดิมอีกอ น, นี้สําคัญท่านคะเมื่อเปิดวาจาสําหรับผู้สูงอายุที่ดิฉันสนใจท่านมากเนื่องจากดูท่านนั่ง ด, ดีเดินก็เดินดีนะคะแล้วดูหน้าตาท่านผ่องใสเนะี่ยก็ไปถามว่าทําไมเราได้เห็นภาพนี้เนะี่ยจึงเป็นเช่นนั้น ท่านก็ไม่ได้ตอบมานะท่านบอกว่าอ๋อยายชอบยายมาปฏิบัติที่เนี่ยหกครั้งแล้วหครั <c oughs> <c oughs> ยย้งแล้วยายคุณยายอะไรก็ไม่ทราบแล้วกนะ็สวยด้วยอายุมากแล้วแต่ว่าดูบุคลิกภาพดูดีหมดเลยอืท่านก็บอกท่านอยู่บุรีรัมนี่แหละมีลูกหลานเอามาส่งออท่านชอบท่านคงจะอ ย, ย่างนี้แปลว่าอะไรคะท่านคะคือเหมือนกับดูท่านสบายมากกับการปฏิบัติตลอดทั้งกระบวนการเลยคนอื่นเขาเหยียดแข่งเหยียดขากันแทบตายท่านก็ คือคือคนที่มีธรรมะในใจเนี่ยแน่นอนอย่างหนึ่งคือจะมีผิววันธุ์ผุดพองแต่ผิวพันธุ์ผุดพองนี่คือเหี่ยวมันเหี่ยวย่นมันก็ธรรมดาใช่ไหมคนอายุมากแต่ว่าความคือมันเหมือนกับมีแสงประกายออกมาเป็นแบบพ่องใช้ออกมานะโดยไม่ได้ใช้ครีมไม่ได้ใช้อะไรอันนี้คือใจิตใจของคนที่ที่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วก็พอมีธรรมะอยู่ในใจเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยมันไม่ได้ไปวุ่นวี่วุ่นวายตามสิ่งที่มากระทบตัวนี้คือความนิ่งเฉยความวางเฉยความสงบเย็น ตอนนี้ทำให้เราเห็นได้ในสายตาบ้างในการกิริยาการกระทําต่างๆเหล่านั้นค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าผู้ที่ไปปฏิบัติอย่าง น, นีิฉันก็มีความรู้สึกว่าแหมเราก็อยากจะก้าวหน้าแบบคนอื่นเขาที่เขาเก้าวหน้ามากๆตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากระบวนการจะเป็นเช่นนี้นะคะเราควรที่จะทำอย่างไรต่อไปหลังจากที่เราคิดว่ามันก็มี พัฒนาการขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วละ่ะระดับที่พึงพอใจแต่ยังยังไม่อยู่ว่าขึ้นไปชั้นบันไดขั้นที่สามแล้วกาลังจะก้าวขึ้นที่สี่บางทีก็ลงมาเหมือนกับจะลงมาสองครึ่งอะไรอย่างเงี้ยทังอ่อคือแสดงว่าตรงเนี้ยเราอยู่ในเส้นทางการปฏิบัติตัวนี้คือเราอยู่ในเส้นทางในเส้นทางไปสู่อะไรในเส้นทางไปสู่ความพ้นจากความทุกข์ในเส้นทางนี้คืออริยมรรคของแปดที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยนะ ไม่ได้มีอะไรใหม่เลยนอกจากเรื่องศีลสมาธิปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าสอนเป๊ะในทีนี้เราอยู่ในเส้นทางแล้วลเราจะไปสู่ทางอะไรเจุดหมายก็ อ, อะไรคือการทางพ้นทุกข์จุดหมายตรงนู้นคือจะเป็นนิพพานเไปสู่ที่ที่จะดับไม่เหลือแห่งความทุกข์คือนิพพานตรงนู้นเดีะระหว่างทางเราจะทำไงให้เราก้าวหน้าได้ก็อย่าไปออกนอกทางเดีก็อย่าไปหยุดตรงนั้นนานอย่าไปติดฝั่งข้างข้างซ้ายหรือข้างขวานานรีบๆเดินทางไป แต่ซึ่งตรงการเดินทางตรงนี้แหละก็คือการปฏิบัติอย่างที่เราได้ทํามาถ้าเราเรียกว่าบางทีเราขี้เกียจบ้างบางทีเราเพลิเพลินไปบ้างเี่ยก็คือเหมือนกับหยุดกลางทางหยุดแวะที่ริมฝั่งติดอยู่ฝั่งในหรือฝั่งนอกแล้วก็คือติดอยู่ในอยิยตนะภายในหรือภายนอกเนะเรารรก็ต้องรีบเดินทางไปหรือนี้ก็จะมีความก้าวหน้าไปได้สําหรับการที่ไปเข้าคอร์สหลีกเลนครั้งที่หนึ่งแล้วทิฉันเห็นมีโปรแกรมว่าสําหรับผู้เก่า ของท่านรู้สึกจะมีสองเลเวลผู้ใหม่กับผู้เก่าออกอีกสามอันคื อ, อสําหรับภาษาอังกฤษด้วยจริงๆแล้วก็คือมันก็คล้ายๆกันนะนะคุณโยมติเพราะว่าคําสอนของพระุทธเจ้าก็จะเป็นในลักษณะนี้แหละนะทีนี้ว่าสําหรับคนในคอร์สปกติเนี่ยบางทีก็จะมีคนใหม่ที่บางทีคนใหม่เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไระก็ยังทําเสียงดังบ้างยังไม่ได้ร้ยบ้างทีนี้เราก็เลยจึงจัดสิ่งแวดล้อมอันหนึ่งสําหรับไม่ต้องมีคนใหม่เลย่ เพื่อที่ให้คนเก่าได้ปฏิบัติกันเด็มที่เพรา ะ, ะบางทีในช่วงบางคอสเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้สําหรับคนใหม่มากอย่างอย่างในเดือนกุมภาเนี่ยจะเห็นว่าคนเก่านี่แค่ประมาณ20คนไม่ถึงดุยเดือนที่เหลือจะเป็นคนใหม่หมดเลยลก็ก็จะเปิดโอกาสให้คนใหม่มากเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีคอสหนึ่งละที่สําหรับคนเก่าเท่านั้นนะให้ให้มารวมตัวกันอย่างนี้ก็จะสอนคล้ายๆเดิมประเด็นอ๋อเหรอคะเพียงแต่ว่าจะสงบแล้วก็สําหรับคนที่เป็นมากขึ้น ก็จะนั่งกันนานนานมากขึ้นเลยค่ะใช่ก็จะกจะมีบรรยากาศแห่งความเข้มข้นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าแต่ละคนมานี่คือก็ตั้งใจกันเต็มที่อะนะคนเก่าที่เขามากันเพราะฉนั้นก็บรรยากาศก็จะเป็นความเข้มข้นอีกแบบหนึ่งขอประทานโทษนะครับถ้าพูดเป็นภาษาแบบพวกเราที่อยู่ข้างนอกวัดเนี่ยความเข้มข้นนี้มันโหดมากขึ้นไหมเหมือนเดิมก็ตารางเวลาเดิมกินอาหารแบบเดิมพระสูตรอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแน่นอนล่ะ แนี่เพราะว่าในช่วงคอร์สปกติเนี่ยก็จะไม่ได้สามารถพูดได้หมดอยู่แล้วในตลอดเจดวันเนี่ยมันจึงมีเรื่องอะไรที่จะให้พูดได้อีกเออก็ในเมื่อคุณฟังมาเยอะแล้วใช่ไหมก็ในคอร์สคุณเก่านี้เอาเรื่องใหม่ๆ ม, มาให้ฟังบ้างอืก็ก็ตั้งเวลาเดิมค่ะสําหรับการที่พูดที่ผ่านหลักสูตรการหลียนรู้แบบผู้ใหม่ที่รับคือรับที่รับผู้ใหม่ด้วยแล้วะอือหรือว่าเข้าครั้งที่หนึ่งละถ้าสมมุติว่า จะต้องต่อไปทําเองต่อไปได้เลยหรือว่าควรที่จะจําเป็นต้องไปเข้าคอร์สอีกไปอะไรอีกค่ะคือนี้มันอยู่ที่อินซีของแต่ละคนนะความสามารถของแต่ละคน ค, ะคือบางคนเนี่อรู้วิธีการทำแล้วครั้งเดียวแล้วเขาก็ไปต่อเองได้ไปต่อเองได้แต่บางคนกลับถึงบ้านแล้วมันอ่อนลงมันก็ต้องมีการกระตุ้นเงี้ยก็คือเหมือนกับการฝึกสัตว์บางทีสัตว์บางตัวแค่บอกครั้งเดียวมันทําตามสัตว์บางตัวต้องลงแท้ แต่มัน ก, ก็แล้วแต่ว่าจิตใจเราเป็นแบบไหนเราต้องพิจารณาดูหละอ๋อค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของการเรียนดูเหมือนกับว่าไม่ได้เข้าไปในข้อธรรมแบบทุทกๆครั้งที่เราได้กลับเรียนสนทนากับพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุณโนแต่เรียนต้องการที่จะให้ได้รายละเอียดกันมากๆเลยแล้วก็พระสูตรต่างๆที่ท่านได้สอนมีการอัดเทปให้พวกเราติดไม้ติดมือกลับมาใช้ประโยชน์ต่อ เบื่อจะได้ระลึกถึงในห่วงเวลาของการหลีกเลนแล้วก็ทำให้การปฏิบัติต่อเนื่องได้ดีขึ้นท่านฟังคะสำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นอีกวันนึ่ ง, งนะคะที่เราใช้เวลากันอย่างเต็มที่เลยได้พระอาจารย์เพยบูลอภิปุณโณ น, น, นะคะจากวัดป่าดอนายโซอุดรธานีมาเป็นผู้ให้ธรรมะกับเราซึ่งจริงๆแล้ววันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ท่านจะมาพบกับชาวกรุงเทพกับใกล้เคียงที่ ฮอสมุดท่านพุทธาตอินทะปัญโยสวนจตุจักรตั้งแต่ตอนเช้าเจ็ดโมงโดยประมาณท่านจะไปถึงที่นั่นแล้วเพราะเขาจะมีการถวายพระตาหารเช้าก่อนใช่ส่วนเก้าโมงใช่ไหมคะเกา้านาฬิกาเ<ช>้านาฬิกาก็จะเริ่มแสดงธรรมนะคะใครสนใจก็ไปพบกับท่านเพบุล น, นะคะที่นั่นค่ะเห็นบอกว่ามีพุทธประวัติจากพระโอส์เป็นซีดีแจก เพราะว่ามีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ในคอร์สปฏิบัตินี่แหละได้อ่านเรื่องพุทธประวัติให้ฟังแล้วก็เอาคัดเฉพาะตรงส่วนนั้นมาทำเป็นซีดีอยากให้ทุกคนที่มาในงานค่รนมัส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ขอให้ท่านฟังทุกท่านนั้นได้มีโอกาสที่จะได้พบกับสมาธิและปลายทางที่พระพุทธองค์ อยากให้พวกเราได้พบได้เจอกันจากการศึกษาคำสองที่ถูกต้องนะคะวันนี้เราก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะพุทธสวัสดีค่ะ